ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ถ้ามุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีย์หกมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะก้าว่ายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าว่ายหน้าที่ของกันและกันได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจ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 อ๋อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะจิตก็ได้ความสังเวชก็สำเร็จพระอาหารหันต์พยับแดดมีคำว่าธรรมะเจอปนอยู่ด้วยหรือเปล่านี่นำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนี้อัตมาภาพอยากจะแก้ข้อสงสัยข้องใจบรรดานักศึกษาธรรมทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถะกับวิปัสสนานี้มีนัยยะต่างกันอย่างไร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 หรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานหมายเหตุคำว่าวิตกมาจากบาลีว่าวิต ก, กะแปล ง, ง่ายๆว่าความตรีอย่าพึงสับสนกับคำว่าวิตกกังวลที่ใช้ในภาษาไทยนะครับ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 การทำสมาธิถ้าพยายามทำสมาธิฝึกสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้จะดีที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เด้กล่าแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทำสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่า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 จากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อนทีนี้บางทีพระที่พูดท่เทศอยู่นี้ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าหน้าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ยดเหนื่อยอาจจะเกิดน้ำคานขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นส่อสแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น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 จะสามารถประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นโดยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินินรีอินทรีย์คือสติเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติินรีแล้วพอกระทบอะไรขึ้นมาจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ